ข อ, อนอบน้อมคุณพระรันตนัยพระพุทธพระธรรมประสงค์ขอากาศเพื่อนธรรมทุกท่าน เ, าเจริญทาในแม่ชีและก็ญาติโยมทุกคนก็นั่งกันตามสบายนะเมื่อคืนนี้ก็หนาวเนาะจะเข้าหน้าหนาวเต็มที่แล้วนะท า, ทางที่เพิ่งเป็นช่วง ต้นดูฝนเออต้นต้นเดือนตุลานะปีนี้ความหนาวมาเร็วกว่าทุกปีนะก็อากาศก็เปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงอ่าแต่แต่ปีก็มีความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นชัดเจนขึ้นนะในเรื่องฤ ด, ดูกาลในเรื่องลมในเรื่องฝนนะมันก็เป็นสิ่งที่ เราก็ไม่สามารถควบคุมได้เนาะมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาตินะแต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือการบางใจของเรานะในการเกี่ยวข้องนะกับฤ ด, ดูกาลกับอากาศต่างๆนะหนาวเราก็ใส่เสื้อผ้าเราก็ห่มผ้านะร้อนเราก็อาบน้ำนะหรือว่าพัดนะให้มันเย็นสบายขึ้น อันนี้คือเราปรับตัวกับเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจเราก็ต้องปรับใจเหมือนกันนะก็คือเราก็ต้องวางใจในการยอมรับความจริงของธรรมชาติเพราะถ้าเราไม่ยอมรับความจริงนะเราตีโพยตีพายเราไปคิดแต่จะไปเปลี่ยนแปลงเรื่องภายนอกเนะีนะ่ยมันทําให้เรามีความทุกข์ใจแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยไปเปล่าๆแต่ถ้าเรา เปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองเป็นหลักนะเช่นนะเปลี่ยนแปลงที่ร่างกายของเราปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิกับสถานที่กับสิ่งแวดล้อมเราปรับใจของเราให้ยอมรับความจริงนะเออธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นนะฝนมามันก็ชื้นยุงก็เยอะนะฝนหมดนะอากาศก็เริ่มแห้งก็เริ่มหนาวขึ้นอันนี้เป็นธรรมดา เราก็ต้องยอมรับความจริงโลกมันเปลี่ยนแปลงไปลงไปข้างล่างก็อาจจะร้อนอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาของมันถ้าจิตใจเรายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างได้นะว่ามันเป็นเรื่องเรื่องธรรมดาของมันเนี่ยเราก็จะอยู่กับมันได้เราก็จะอยู่กับมันได้อย่างยังไม่ทุกร้อนนะแต่การที่เราอยู่กับความเป็นธรรมดาความเป็นธรรมชาติของมันที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทําอะไรน ะ, ะถ้าสิ่งไหนที่เราพอจะทําให้มันมันดีขึ้นได้เราก็ทำ อ, อย่างเช่นวัดเราก็ทํากิจกรรมนะหรือว่าช่วยกันรณรงค์เรื่องให้การรักษาป่าปลูกต้นไม้หรือว่าช่วยชะลอความเปลี่ยนแปลงทางโลกให้มันช้าลงหรือว่าให้มัน กลับคืนมาดีขึ้นนะอากาศหรือว่าต้นไม้หรือว่าสัตว์หรือว่าน้ำต่างๆให้มันดีขึ้นสิ่งที่เราทาก็ต้องทำทั้งส อ, งอย่างควบคู่กันไปนะการวางใจที่ยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการกระทำที่จะทาให้มันดีขึ้นนะแต่ไม่ใช่ไปฝืนทำนะทาตามกำลังความสามารถของเราทำแล้วมันยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่เราก็ถือว่าได้ทำทาดีที่สุดแล้วนะอาตมาตอนบวชใหม่ๆก็ประทับใจคำพูดของหลอมพ่อคาเขียนนะท่านพูดถึงเรื่องท่านมาอยู่ที่บนเขาตรงนี้เนาะมาอยู่เพื่อที่จะสร้างวัดมาถึงว่ามาอยู่วัดป่าสุขโตแห่งนี้ก็หวังว่าจะให้วัดป่าสุขโตนะเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะสาหรับคนทั่วไป แต่มาอยู่แล้วนะบางทีมันก็อดไม่ไหวเห็นชาวบ้านยากจนเห็นชาวบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นชาวบ้านติดอบายมุกนะเล่นไพ่เล่นไฮโลกินเหล้าเมายาตีดันฟันแทงกันเยอะแยะมากมายตอนแรกท่านก็ไม่ได้สอนกรรมฐานนะเป็นหลักท่านก็เน้นงาน คล้ายๆฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้นนะชวนชาวบ้านเลิกเคราเลิกสุเลิ ก, เลกบุหรีเลิกการพนันนะยกระดับฐานะของชาวบ้านขึ้นจากการทําสหกรณ์ข้าวจากการหรือว่าช่วยให้เด็กนะล ด, ดอาการเสี่ยงในการเป็นไข้ป่านะโดยการมีศูนย์เด็กเล็กอะไรต่างๆ เริ่มแรกท่านก็ทำเช่นนั้นเพราะว่าท่านเห็นว่าเออมันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่ที่เราต้องแก้ไขก่อนต่อมาหลวงพ่อก็มาเริ่มเห็นเรื่องการรักษาป่าการรักษาน้ําการรักษาธรรมชาตินะพออยู่มาก็มีมีการตัดไม้นะมีการยิงสัตว์นะยิงช้างบ้างยิงเก้งบ้างยิงหมูป่ายิงแรนบ้างนะ ท่านก็เห็นแล้วก็เกิดความทรงสารหรือว่าเห็นแล้วก็เกิดธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะหรือแม้แต่เรื่องธรรมญาตาิตาท่านก็เห็นว่ามีการเอาสารเคมีเนาะไปล้างในลำห้วยลำทานถนะัง2 0งร้อลิตรนี่ผสมยาฆ่ามแมลงหรือผสมยาฆ่าหญ้าพอฉีดเสร็จก็เอามาล้างในลาปะทาวในอ่างในเขื่อนนะี่ะ โอ้เรื่องความเปลี่ยนแปลงมันมีมากมายหลวงพ่อก็ทําหลายอย่างเนาะปลูกต้นไม้ไปในวัดปลูกต้นไม้นอกวัดนะเขียนป้ายติดทํากิจกรรมต่างๆบ้างหลวงพ่อทํามาหลายอย่างมากแต่ตอนสุดท้ายตอนดังๆหลวงพ่อก็จะพูดว่าออหลวงพ่อก็ทํามาหลายอย่างแล้วเนาะเช่นรักษาสัตว์ป่าสัตว์ป่าก็แทบไม่มีแล้วนะรักษาต้นไม้ ตนไม้ก็แทบไม่มีแล้วนะมีเจ็ดอยู่ในวัดแค่สามแห่งเท่านั้นนะสอนคนให้เลิกเลาเลิกการพ น, นันนะคนก็ยังติดเราติดการพ น, นันอยู่คนก็ยังทะเลาะวิวาทกันอยู่นะหลวงพ่อก็ทาแล้วนะแต่มันไม่เกิดผลงานที่หลวงพ่อทำล้มเหลวแต่หลวงพ่อไม่ได้ล้มเหลวนะวิธีคิดตันนี้โอ้มัเป็นเรื่องที่ประทับใจนะ งานที่หลวงพ่อทําล้มเหลวแต่ตัวหลวงพ่อเองไม่ล้มเหลวพวกเราเคยไหมบางทีพอเราทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งพองานนั้นไม่สําเร็จผลอย่างที่เราตั้งใจเราก็ทุกข์ใจไปด้วยเราก็คิดว่าเราล้มเหลวไปด้วยนี่ไม่แต่ตัวผมหรือตัวอาตมาเองแต่ก่อนก็เออมันมันก็โดนแบบนั้นเหมือนกันพอเวลาเราทํทาทํางานเราทํากิจกรรมอะไรต่างๆ เราทำแล้วเราก็ต้องมีผลที่เราคาดว่าจะได้รับเนาะผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นแต่พอผลไ ม, ไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเพราะว่ามันก็มีเหตุมีปัจจัยที่เราไม่สามารถจัดการควบคุมได้นะมากมายแต่ตอนนั้นเราก็ยังโง่นะคิดว่าอืมเราจะสามารถจัดการควบคุมหรือว่าชักจูงให้เหตุปัจจัยต่างๆพวกนั้นเป็นอย่างที่เราต้องการ หรือบางทีเรื่องบางอย่างเป็นเรื่องระดับสังคมระดับชาติเราก็คิดว่ากลุ่มเล็กๆกลุ่มน้อยๆ น, ยนี่จะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ภายในเวลาอันสั้นหรือเห็นผลทันตาความโง่หรืออวิชชาเรามันทาให้เราคิดเช่นนั้นพอคิดเช่นนั้นมันก็เลยเกิดกลายเป็นความทุกข์เกิดเป็นความทุกข์พอทุกข์ล้วก็เครียดเครียดก็ผ่านเพื่อนเพื่อนช่วยไม่เต็มที่ หรือเครียดแล้วก็พานสังคมผ่านคนอื่นที่ไม่ทำเหมือนเราที่ไม่เห็นด้วยเหมือนเราหรือว่าที่วิจารณ์ที่ขัดขันเรานะเห็นไหมมันเริ่มต้นจากการที่เราวางใจผิดนะเราไม่ยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะพอเราวางใจผิดเราก็เลยเกิดความทุกข์ใจเมื่อเกิดความทุกข์ใจมันเป็นธรรมดาของคนนะคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะดีนะ ค่ามักจะไปโทษคนอื่นนะโทษคนอื่นว่าเป็นเป็นตัวการทำให้เราทุกขนะ์โทษคนอื่นว่านะไม่ทำอย่างที่เราต้องการก็เกิดอันตรพานไปโทษคนนั้นคนนีต้ตัวเองก็ยิ่งทุกข์หนักไปใหญ่นะคล้ายๆเหมือนในวัดนึงเนาะสำหรับคนวัดใดคนก็คงทราบอยู่แล้วนะยังมีหมาตัวหนึ่งอยู่ที่หน้าวัด มันชื่อไอ้แดงนะอ่เป็นหมาของยมน้อยนะหมายไอ้แดงเนี่ยมันก็เป็นหมาที่ก็น่าสนใจนะอ่มันโดนรถมาสด้าอ่ทับอ่ความมันไปมันก็เจ็บนะมันก็จํามากเลยว่ารถคันนี้มันมันเหยียบเราพอรถมาสด้าจะขับออกไปบินธบาทหรือขับจากขับมาจากบินธบาทหรือขับไปไหนก็แล้วแต่ มันก็จะเห่านะเห่าด้วยความโกรธโกรธทุกครั้งเลยนะอทั้งๆ ท, ที่รถมันก็ทับมาน่าจะเป็นเดือนะนะแต่ทุกวันมันก็ต้องเห่าแบบนี้อย่างน้อยวันละสองรอบที่มีการขับรถนะเอนะถ้าคนขับมากกว่านั้นก็เห่ามากกว่านั้นเองนะเอแดีมันคิดว่ารถเป็นตัวการนะทําให้มันทุกข์แต่จริงรถมันเคลื่อนที่ได้ไหมมันเคลื่อนไม่ได้เนาะคนขับเลย มันถึงทำเป็นคนไปเหยียบมันรถมันอยู่เฉยๆนะถ้าไม่มีคนขับเนี่ยมันจะไปเหยียบไปทับไอ้แดงได้หรือเปล่านะมันก็ไม่ได้นะแต่ไอ้แดงมันคิดว่ารถคือตัวการทําให้มันเจ็บทําให้มันทุกข์แต่จริงถ้าเราดูดีๆเราจะเห็นเออมันตลกดีเนาะแต่จริงคนขับนั่นแหละเขาทําให้มันทุกข์ แต้เอาเขา้าจริงๆนะคนขับก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําทให้เขาทุกนะเขาก็าแค่ไม่เห็นนะแต่ที่จริงแม้เขาตั้งใจแต่เราถ้าเรามีปัญญาจริงเราก็ไม่จําเป็นต้องไปทุกข์ก็ได้นะใช่ไหมอันนี้ยถ้าเรามีปัญญาเราจะกลับมาดูดูความทุกข์ในใจของเราดูความโกรธในใจของเราไถาแดงมันกลับมาเห็นความโกรธในใจของมันนะ แล้วก็ปล่อยวางได้เนี่ยมันก็จะน่ารักมากไม่ต้องทุกข์นะไม่ต้องเห่าทุกวันนะให้เป็นที่ขบขันของคนในวัดแต่จริงมันก็สอนธรรมะของเรานะเวลาเราไม่พอใจใครเวลาเราโกรธใครหรือเวลาเราพยาบายกับใครนะแค่ได้ยินเสียงแค่เห็นเขาเคลื่อนมาตอนนั้นเราก็เกิดความไม่ชอบเกิดความไม่สบายใจแล้วนะ หรือบางคนก็ไปนินทาไปว่าร้ายเขาไปต่อว่าเขาแต่จริงตัวที่ทําให้ตัวเองทุกข์จริงๆก็คือตัวเราเองนี่แหละไม่ใช่คนอื่นคนอื่นเขาอาจจะแค่ทําร้ายเราหรือว่าพูดว่าเราแต่มันก็ผ่านไปแล้วหลายวันหลายเดือนแต่เราเองนั่นแหละที่ไม่ยอมไปล่วางเราเก็บมาคิดเราเก็บมาคิดว่าเขาว่าเราว่าเขาทําร้ายเรา นะที่จริงมันผ่านไปแล้วแต่เราเอามาคิดมันก็เลยกลายเป็นปัจจุบันนะในวันนี้ในขนาดนี้ไปด้วยนะคนที่ทุกข์ก็คือตัวเราเองนะการที่เรา ม, มามีสติก็คือการที่เรากลับมาคอยรู้ทันความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในตัวของเราเองถ้าเรากลับมารู้ทันว่ามาเห็นว่าตอนนี้จิตมันกําลังโกรธอยู่เมื่อเราเห็นว่าจิตมันโกรธอยู่เนะี่ยจิตมันจะ คลายความโกรธได้นะเมื่อจิตคลายความโกรธได้ความอาภัยนะมันก็มาแทนที่นะให้อัฟัยเขาไม่ถื อ, อพยาบามบีดเบียน เ, เขาแล้วจิตเป็น เ, เช่นนี้นะมันเบาสบายผู้ที่มีปัญญา ย, ย่อมสามารถเลือกเลือกตรงนี้ได้เราเลือกที่เราจะถือแล้วก็หนักแล้วก็ทุกหรือเราเลือกที่จะาวาง เกิดความเบาเกิดความสบายใจเกิดความไม่ทุกข์ใจตรงนี้แหละคือสิ่งที่มันเป็นปัญญาแต่ก่อนที่จะเป็นปัญญาได้มันต้องมีสติถ้าเราไม่มีสติมันจะไม่เกิดการรู้ตัวนะเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้เราโกรธตอนนี้เราทุกข์นะแต่ถ้าเรามีสติเราจะรู้ตัวว่าตอนนี้เราโกรธอยู่ที่จริงถ้าพูดให้ถูกคือตอนนี้มันมีอาการโกรธเกิดขึ้นนะ ใ, ใจตอนนี้มันมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นนะมาเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นพอเรารู้ตัวนะมันเหมือนคล้ายๆเราเราตื่นออกมาจากความฝันนะบางทีเราเรานอนหลับเนาะเราก็ฝันปรุงแต่งนะเรื่องราวเหมือนเป็นตัวเป็นตะเป็นจริงเป็นจังนะพอเราเตื่นรู้สึกตัวนะเราก็สะดุง้งว่าเออเมื่อกี้เราฝันไปเนาะ ขณะที่เราจมกับความคิดนะจมกับโรคที่เราปรุงแต่งเองนะมันก็เหมือนกันพอเรามีสติเราก็เหมือนตื่นจากความฝันตื่นจากอาการที่เราเจอจมอยู่กับความคิดนะมันก็ออกมาได้เมื่อออกมามันก็จะเห็นเห็นเรื่องราวที่เราที่ เ, เผลอไปปรุงแต่งนะั่เป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องเออเราโง่เองเนาะไปหลงปรุงแต่งไปคิดนั่นคิดนี่คิดแล้วก็ทุกเองนะตลกตัวเองนะ ถ้ามีสติเนี่ยมันจะมันจะเหมือนคล้ายๆเมื่อเห็นความคิดนะเห็นอารมณ์ที่เผลอไปปรุงแต่งเนี่ยมันจะตดตัวเองนะมันไม่ไปโทษคนอื่นดักมันก็เออกูโง่เองเนาะที่ไปโกรธเขากูโง่เองเนาะที่ไปหลงทุกข์เองนะนะเราโง่เองไม่ใช่ไปไปว่าคนอื่นเขาไม่ดีคนอื่นเขาทําร้ายเราคนอื่นเขาพูดเราแต่จริง เราโง่เองที่ไปปรุงแต่งที่เราไปลงยึดเองเนี่ยอาการพวกนี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องหมั่นมาดูอยู่เสมอนะอาการที่มันเกิดขึ้นเวลาเรากระทบนะกระทบอารมณ์ต่างๆนะในชีวิตจริงของเราเนี่ยแหละนะไม่ว่าเราจะอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านเราจะทํางานหรือเราอยู่คนเดียวบางทีอารมณ์พวกนี้มันกระทบแต่ถ้าเรา อยู่กับผู้คนหรืออยู่กับการงานเนี่ยจะมีอารมณ์กระทบมากหน่อยนะอารมณ์กระทบที่มันเกิดขึ้นนะในปัจจุบันณนะธรรมตรงนั้นแต่จริงแม้เราปฏิบัติในรูปแบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นไอ้สิ่งที่มันมักจะผุดขึ้นมามันเป็นสิ่งที่เราเก็บไว้นะ เ, ร เ, วนะเราเก็บไว้ในอดีตนะเราก็เวลาเราเดินจงกงรมเวลาเรานั่งสร้างจังหวะบางทีเราจะ ไอสิ่งที่เห็นเฉพาะหน้าอาจจะไม่ค่อยก่อความรำคาญไม่ได้ก่อความสนใจกับเราเท่าใดรหรอกนะเช่นเราอยู่ในที่สาธาเราเดินจงกรมกลับไปกลับมาเราอยู่ที่กุฏิเนี่ยบรรยากาศมันเดิมเดิมมันซ้ําๆเนี่ยไม่ค่อยสนใจละนะนอกจากคนมาใหม่จริงๆนะอาจจะสนใจสิ่งแวดล้อมภายนอกมากบ้างแต่คนอยู่เก่าจริงๆก็จะสนใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่มากนัก แต่สิ่งที่มันผุดขึ้นมาบ่อยก็คืออารมณ์ในใจนะเดินจงกลมไปนะบางคนเคยนะโกรธพ่อโกรธแม่มันก็ผุดขึ้นมาให้เห็นบางคนเคยเสียใจที่ทำให้พ่อแม่นะผิดหวังทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจมันก็โผล่ขึ้นมาให้เห็นนะหรือบางคนนะก็มักจะคิดปรุงแต่งในอนาคตก็มีคิดวางแผนนะ จะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่คิดวางแผนนะจะไปทําอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีไม่แต่ในวัดนะบางทีก็วางแผนจะกินนั่นกินนี่เนาะอะเนี้ยบางทีกิเนเสรนะ่ะมันก็โผล่ขึ้นมาหรอกนะบางทีอยู่ทั้งโลกเนี่ยเรามีกินมากมายแต่พอมาอยู่ในวัดเนาะไม่ได้ซื้อไม่ได้หาทักเท่าไหร่จิตมันก็ไปปรุงแต่งอยากกินนั่นกินนี่อยากดูนั่นดูนี่นะ อยากเที่ยวนั่นเที่ยวนี่หรือแม้บางทีเราปฏิบัติธรรมแบบตั้งใจว่าจะพูดให้น้อยหรือปิดวาจาอาการในจิตมันก็จะมาบอกเรามันคันปากมันอยากจะพูดมันอึนอดอัดนะได้พูดนิดนึงก็ยังดีนะหรือบางทีไม่ได้พูดนะไปฟังแอบฟังเขาก็ยังดีนะพระอาจารย์คุยอะไรกับเพื่อนนอสอบอารมณ์อะไรถามอะไรเขาคุยจนเรื่องอะไรเนหูจะ หูเราจะคล้ายๆดีมากนะทั้งๆที่ทนะีเราก็ไปดูตัวนะัว่าเราเผลอไปฟังเข้าแล้วเนะีไปสนใจเข้าแล้วอารมณ์พวกนี้ยมันก็ดีนะเอนะีถ้าเราได้มีโอกาสภาวนาอยู่ในที่สงบหรืออยู่ในการงานที่ไม่ไม่ยุ่งเหยิงมากมันก็จะเห็นสิ่งที่มันผุดขึ้นมาแบบนี้แหละเนะีมันผุดขึ้นมาแหละดีแล้วนีดีแล้ ว, นะลวเพราะมันเป็นตะกลที่เราเก็บไว้ในใจของเราเองเนะ่ เราเก็บเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่อ ง, องชอบเรื่องไม่ชอบไว้ในใจเยอะแ ย, ยะมากมายการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะถ้าเราทําในรูปแบบเนี่ยมันจะเห็นไอตะ ก, กรอนคนนี้มันผุดขึ้นมานะผุดขึ้นมานะอา จ, จะมาหรือผมมาเปรียบเทียบว่ามันเหมือนเหมือนเรากวาดพื้นนะหรือเราถูพื้นนะอาจจะเป็นศาลาหรือกุฏิของเราก็ได้ที่บ้านของเราก็ได้นะพื้นศาลาเนี่ยดู ถ้าเราดูธรรมดาดูเพลนๆ เ, เนี่ยมันก็ไม่เห็นฝุ่นนะไม่เห็นมันจะสกระปกเท่าไหร่แต่พอลองเราจับไม้กวาดมากวาดมันดูสินะเรากวาดไปกวาดไปมันก็เริ่มมีฝุ่นนะละกองหยุดแถวหน้าไม้กวาดที่เรากวาดนะเทเล็กทเะเล็กเทีเละน้อยกวาดทั่วศาลาก็คงได้พอสมควรนะหรือบางทีผ้าถูพื้นนะเราเอาผ้าที่ ซักล้างสะอาดแล้วนะพอมาจุบ ก, กับน้ํามาถูถูถู ถ, ถูพอถูเสร็จเอาไปจุบน้ําล้างใหม่อ๋อน้ําที่เราล้างเนี่มันมันดําเยอะเลยนะมันดูภายนอกมันดูเหมือนก็สะอาดไม่ค่อยมีฝุ่นแต่พอเรากวาดพอเราถูอา้าฝุ่นแล้วก็ความสะกะปรกมันมากมายชีวิตของเราก็เหมือนกันบางทีเราคิดว่าเราก็ สบายดีแล้วก็ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่แต่พอมาปฏิบัติไปโอ้มันเห็นตะกอนที่เราเก็บไว้ในใจมันโผล่ขึ้นมามันผุดขึ้นมา <isms. S 2> เราไม่ค่อยฟุ้งซ่านเท่าไหร่มั้งเราไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่มั้งแต่พอปฏิบัติจริงๆเอ่ำฟุ้งซ่านจ็าา ม, มากคิดเจ็มากเออมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันดีนะหรือบางทีกิเลสความคิดที่ไม่ดีมันโผล่ขึ้นมาเออเราก็เห็นนะเราก็เห็นมันเกิดขึ้นมาอันนั้นดีทั้งนั้นนะ นั้นปฏิบัติแล้วาอาจจะพูดว่าถ้าเห็นกิเลสนะ่ดีนะให้มันโผล่ขึ้นมาบ่อยๆเถอะนะความรักความชำความหลงนะความคิดต่างๆให้มันโผล่ขึ้นมาเถอะโผล่ขึ้นมาแล้วให้เราเห็นนะมันดีที่เห็นไม่ใช่ดีที่เป็นนะแต่ถ้าเมื่อไดที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยเราจะเข้าไปเป็นกับความคิดเข้าไปอยู่ในอารมณ์เข้าไปปรุงแต่งต่ออันนั้น เป็นการปฏิบัติที่ผิดนะแต่พอเรารู้ทันว่ามันเผลอไปคิดมันเผลอไปปรุงแต่งนะมันเผลอไปอยู่ในอารมณ์แล้วนะให้เรากลับมามีสติรู้ตัวนะที่จริงตอนที่เรารู้ว่าเราเข้าไปอยู่กับมันน่ะมันจะออกมาแต่ธรรมชาติจิตมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงนะทีละขณะขณะที่จิตมันคิดปรุงแต่ง ถ้าเราพอเรารู้ทันความคิดปรุงแต่งมันก็ดับไปเกิดความรู้ตัวเกิดขึ้นแต่ความรู้ตัวบางทีมันก็สั้นนิดเดียวนะแล้วก็หลงไปไม่พอใจตัเองที่โกรธเผยไปไม่พอใจตัเองที่ฟุ้งซ่านที่หลงไปกับมันเอ๋อเราก็มาตามรู้ทันความไม่พอใจที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยแหละนะหรือบางทีถ้าเราปฏิบัติแล้วมีมความสุขมีความสบายมีความเพลินเออเรามี เราก็อยู่กับอารมณ์เท่านั้นเราก็เพลินไปนะเราพอใจถ้าเราไม่รู้ทันตัวเองเราก็จะล้มไปเคพิ่มกับมันเพิ่มในความสุขเพิ่มในความสงบเพิ่มในความเบาอันนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติที่ผิดวิธีหนึ่งเหมือนกันแม้การปฏิบัติอาจจะมีปิติมีความสุขมีความเบาสบายเราก็แค่รู้เหมือนกันนะรู้ว่าตอนนี้จิตมันมีความสุข รู้ว่าจิตตอนนี้มันมีปิติรู้ว่าจิตตอนนี้มันมีความสงบเกิดขึ้นหนะ้าที่เราไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตนีนะ้จะบวกจะลบจะดีไม่ดนะีเราแค่รู้มันเฉยๆรู้ได้ใจเป็นกลางรู้ด้วยความตั้งมั่นนะเห็นอาการต่างๆมาเป็นธรรมชาติมาเป็นธรรมดาของมันนะหรือแม้หรือถ้าบางคนไม่ถนัดที่จะรู้ในตรงนี้นะ เราก็กลับมารู้กับการกระทากับการยืนเดินนั่งนอนกับการคู่เหยียดเคลื่อนไหวกับการกินดื่มขับถายก็ได้เช่นกันนะจะไม่ต้องไปสนใจไอ้เรื่องพวกนั้นก็ได้นะกลับมาแค่แะระลึรู้ว่ากายกำลังทำอะไรอยู่ในอิยาบทเช่นไรนะพอมีความทุกข์เกิดขึ้นกับกายทุกขเวนนาเกิดขึ้นเราก็แค่รู้สึกนะแต่ก็ต้องค่อยๆแยกแยะว่า แยกแยะว่าสิ่งที่เรารู้เช่นกายที่เดินหรือยื น, ย น, นหรือนั่งหรือนอนหรือคู้เหยียดเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกจิตไปรู้อีกทีหนึ่งนะกายก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำไปนะคล้ายๆหุ่นยนต์คล้ายๆคนอื่นนะเรามีหน้าที่เพียงแค่รู้ดูเฉยๆมันจะดูเมือนรู้สึกว่ามันเป็นคนส่วนกันกายก็ส่วนหนึ่ง ไอตัวรู้จิตใจเนี่ยก็ส่วนหนึ่งดูเหมือนดูคนอื่นเขาเดินดูเหมือนดูคนอื่นเขานั่งยกมือดูเหมือนดูคนอื่นเขานั่งหายใจนะดูเหมือนดูคนอื่นเขาไม่สบายเขาปวดขาเขาปวดตลังเขาปวดหัวหรือทีถ้าดูดีๆนะตอนเราง่วงมากๆก็ดูมันดูคนอื่นเขาง่วงกันแหละนะมันดูแบบนั้นเออมันก็เป็นแค่อาการง่วงที่มันเกิดขึ้นกับกายเนาะนะเราก็ดูมันนะ เราสามารถดูแบบ น, นี้ได้นะมันจะเกิดการแยกแยะกันว่าอ้อรูปธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งนามธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งอาการที่เกิดขึ้นกับกรูปธรรมก็ดีอาการที่เกิดขึ้นกับนามธรรมก็ดีนะมันก็เป็นแค่อาการของมันมันไม่ใช่เราเมื่อใดที่เผอนั่นแหละถึงมีเราเผอมีเราเป็นผู้ยืนเดินนั่งนอนเผ น, นมีเราเป็นผู้เจ็บปวดเมื่อย เผอมีเราเป็นผู้มีความสุขเป็นผู้มีความทุกข์นะเผอมีเราไปพอใจไม่พอใจมันเป็นอาการเท่านั้นอาการที่เราเผอไปนะแต่พอเรารู้ทันะมันก็จะกลับมารู้ตัวเฉยๆนะนี่แหละคือการปฏิบัติทั้งนั้นนะทางนั้นไม่ว่าเราจะนะทําอะไรก็แล้วแต่นะเกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับผู้คนหรือได้มีโอกาสอยู่กับตนเองน้วน อยู่กับการภาวนาในรูปแบบแล้วก็ทิ้งการปฏิบัติเช่นนี้ไม่ได้นะแต่เพียงแต่ ว, ว่าสิ่งแวดล้อมมันแตกต่างกันบ้างหรืออาการที่มันจะแส ด, แดงในขนาดนั้นมันก็เลือกไม่ได้นะเราไม่สามารถจะเลือกได้นะว่ามันจะคิดอะไรเราไม่สามารถจะเลือกได้นะว่ามันจะปรุงแต่งไปเป็นด้านบวกหรือด้านลบเราไม่สามารถจะเลือกได้ว่าเราจะพอใจหรือไม่พอใจเราเลือกไม่ได้ ไม่ต่างจากสิ่งแวดล้อมที่เราก็ไม่สามารถจะเลือกได้ว่าอากาศจะร้อนอากาศจะหนาวยุงจะเยอะหรือว่าแดดจะออกเราเลือกไม่ได้แต่สิ่งที่เราพอจะเลือกได้คือการวางใจของเราให้ยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกหรือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายจิตใจนี้ก็ดีถ้าเรายอมรับความจริงได้นะ่ะจิตมันก็ไม่ทุกข์นะ่ะ เราปฏิบัติทมเรามีชีวิตอยู่นะเพื่อการนี้เพื่อเข้าใจเรียนรู้ความจริงของชีวิตแล้วก็นำพาจิตไปสู่ความไม่ทุกนะเนาะนี่คือการภาวนาที่อยากจะฝากกันไว้ทุกคนอากาศพาพร้อมกัน